ดำเนินได้พุทโธสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะรายและดิฉันสังสรรค์นาคคงค่ะก็รับหน้าที่ใน มาพบกับท่านดิฉันไข้เจ็บในสมัยพุทธกาลนะไข้เจ็บในสมัยพุทธกาลว่าอย่างไรบ้างมั้ยคะโหมีเอ่อโรคที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในเรียกว่าสัญญาคือการหมายค่ะนะเค้า น่ะหมายความว่าให้เห็นทุกข์โทษในกายนี้นะซึ่งทุกข์โทษในกายนี้โรคภัยไข้เจ็บไว้ทุกอย่างเลยค่ะโรคภัยไข้เจ็บ อะไรเรื่องระบบทางเดินหายใจก็มีอยู่ในนี้หมดเลย แล้วเอาลูกสมุนีซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือพูดถึงเรื่องของต่างใจน้ําปัสสาวะด้วยแล้ว เจอโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้มันมันไม่น่าจะถูกค่ะแต่ประโยชน์ที่จะได้จากการที่เราพิจารณาในสิ่งที่เรียกว่าอทินนามสัญญาเนี่ย เพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะนี้นี้อืมเอ่อตรงนี้มีพุทธพจน์ที่เนี่ยได้ฟังเรื่อง ซึ่งมีทั้งหมด 10 อย่างตรงนี้จะเอายกเฉพาะส่วนที่เป็นโรคภัยต่างๆมาเล่าให้ฟังนะพระพุทธเจ้าได้บอกให้ท่านพระอนนท์ๆเกิด กล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟัน โรคดีซ่านเมาหวานโรคเริ่มโรคผุพองลี้สีดวงทวารนะต่างๆเหล่านี้นะความไม่จริงๆพระพุทธองค์ ก็ดิฉันเข้าใจว่าใช่มั้ยคะใช่ว่าอ่าเป็นสิ่งที่ค่ะสําหรับปัจจุบันนี้จริงๆเรื่องของ ก็ไม่ได้ต้องไปหามดหาหมออะไรกันมากเพราะ เอ่อยาก็หมอยาทั้งอะไรต่างๆค่ะเอ่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในพุทธประวัติมีการพูดถึงยาอะไรที่ท่าน 2, 2> เอเป็นเค้า 5 คือเนย ในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็เกลือ อย, 6 อย่าง 5 อย าง, 6 อย่างละอีกอย่างหนึ่งก็จะที่เป็นยาถ่ายนั่นคือตอนนั้นเนี่ย เคยมีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ค่ะเอ่อนี่พวกยานี่มีอยู่เนาะค่ะแล้วถ้าหากว่าเอ่อเราพูดถึงเรื่อง เอ่อกรรมประเด็นเรื่องยาตรงนี้นิดนึงนะคุณโยมที่นึกเอ 8 เนี่ยเป็นยาสํารอกนะยาถ่ายยาถ่ายมันเป็นอริยะเลยนะคือถ่ายถอนกิเลสตัณหาออกจากใจ 8 ก็เทียบเปรียบ 8 เป็นเหมือนกับยาถ่ายอันเป็นอริยะในที่ คือเราได้มีอุปอ่ามีโอกาสในการที่จะอุปถากอุปถัมภ์คนที่ป่วยด้วยนะอ่าเป็นการดีที่เราจะได้<ใช> ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านค่ะที่เป็นข้อธรรมสมมุติ นะอาหารที่เรากินเห็นความสิ่งนั้นโดยความเป็นของปฏิกูลอันนี้ก็จะช่วยได้อันที่ 3 ก็คือพิจารณาเรื่องมรณสัญญานะคือการพิจารณา เหตุปัจจัยแห่งการตายเนี่ยมีมากนะกระบวนการมันมีอยู่เห 2 ชั้นตรงนี้อันดับแรกคือ <คะ. S> 1 ขั้น 2 มันพิจารณาว่าเอ้าถ้าเรา 2 ครับ 2 ขั้น มันจะมาจบตรงที่ว่าเราต้องละบาปละอกุศลนะแต่ถ้าเรามี ละบาปเราสร้างบุญใช่อันนี้ต้องทุกคนต้องมาด้วยกันอืมต้องค่ะคือถ้าใครเรียนป่วยอยู่ก็จะเป็นมวลทอแท้ อ่าอันเรื่องพวกเนี้ยต้องพูดกันบ่อยๆเพราะว่าบางทีเราใช้ชีวิตทุกวันทุกวันไปเรา ความเคยชินที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ แต่ครูไม่มีประโยชน์นะคะก็คือใช่อืมน่าจะไปใส่ขวดขายนะ ควรที่จะเข้าได้ป่วยเมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นราย FM 106 ครอบครัวคาวค่ะ เดินทางกันเหน็ดเหนื่อยกับคอร์สปฏิบัติ 2 วันจนกว่าจะกลับมา SM 105